สิบห้าเมื่อใจตั้งมั่นแล้วสติจ ะ, ะระลึกรู้กายหรือรู้จิตก็รู้อันนั้นแนวทางของหลวงพ่อไม่ใช่สอนให้ดูจิตนะแนวทางที่หลวงพ่อสอนคือสอนทำอย่างไรให้เกิดสติให้เกิดสัมมาสมาธิให้ใจของเรามีคุณภาพที่จะทำวิปัสสนาพอใจเรามีคุณภาพใจเรารู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นแล้วสติจ ะ, ะระลึกรู้กายเราก็เห็นความจริงของกายสติะระลึกรู้จิตก็เห็นความจริงของจิต ไม่ใช่เอาอันใดอันหนึ่งหรอกเพราะฉะนั้นตรงไหนเด่นก็รู้อันนั้นรู้สึกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆ